นะโมทัสสะพะโตวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะโตวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปยัคฆะมัสสะระตะมัสเธนะสัมปะเถระตวันนี้จะได้แสดงะธรรมเทศนาเพื่อประกอบอุตยาที่พวกเราจะด้วยร่วกันมาบำเพ็ญในวันนี้ด้วยการปารพ ถึงการโภงเรยละสังขารของในาใย่สุตตาแห่งประชาซึ่งเป็นที่เคารพของพวกเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่าวิสาสิทธชนคือคนอื้นเคยวันนี้เราก็มาทางหน้าที่ที่คุณมีต่อในาใยสุตตาแห่เทตมาเรียก คือความทุ่มเมาตั้งแต่บทเวลว่าแม่สุดตานะหรือแม่สุดเฉยๆหน้าที่ที่ว่านี้ส่วนก็เป็นหน้าที่ต่อสรีระของท่านเพราะว่าเมื่อท่านได้ดวงลับไปจากโรคนีนะ้ก็คงเหลือแต่สรีระทนะี่ต้องจัดนะการนะการปลงสรีระนะ ก็คือนะการเผาอันะนี้ก็เป็นหน้าที่ของลูกหลานเพื่อให้สรีระงท่านได้กืนสู่ธรรมชาติตัดพื้นสะู่ดีนน้าไฟลมอีกส่วนก็เป็นหน้าที่ที่พิมมีต่อผู้เรื่องรับนั่นะคือการอุทิศส่วนบุญให้ร่างตายนะั้นะย่อมกลืนสู่ธรรมชาติ แต่จิตนั้นนะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าหากว่าเดยไม่เชือ่อนะก็คือต่ำนะที่ยังไม่แล้วสิ้นะก็จะนาไปสู่การเกิดปรโรคนั้นนะตามจากโรคที่เรารู้จักพื้นเคยในโรคปัจจุบันในโรคทุกวันนี้ในโลคมนุษยนะ์เราอยู่ได้ ด้วยอาหารได้แก่ผักปลาแต่ว่าผู้ที่ละโลกนี้ไปสู่พราโลกหรือพวกอื่นนั้นนะสิ่งที่จะช่วยให้มีความสุขนั่นก็คือบุญกุศลผู้ที่จะสวยสุขในสัมปรสภคหรือพราโลกได้ก็อาศัยบุญกุศลบุญกุศลนั้นได้มาจากไหน ก็ได้มาจากการบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกส่วนหนึ่งก็ได้แก่บุญกุศลที่ลูกหลานหรือผู้รู้จักได้ทำบุญอุทิศให้อย่างที่เรามาร่วมกันในวันนี้ชนเราก็มาพร้อมเพรียงการทำบุญกุศลเพื่ออุทิศให้กับท่านเพราะว่า คนเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะสะสมทรัพย์สินเงิ น, นงทองมากมายทีมใดาตายแล้วก็ไปไม่ได้สักอย่างสิ่งที่จะเอาไปได้นก็คือบุญกุศลซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้ที่อยู่ข้างหลังมีความะระลึกนึกถึงแล้วก็อุทิศ ให้แก่ท่านด้วยการทำบุญเช่นการถวายสังฆทานหนึ่งประ ก, การนะการมาร่วมในพิธีศพนั้นเนี่ยนอกจากเป็นการบาเพ็ญประโยชน์ท่านอย่างที่พูดไว้สองประการข้างต้นแล้วยังเป็นการบาเพ็ญประโยชน์ตนได้ด้วยประโยชน์ตนในที่ว่าก็ได้แก่ การระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ลงลับเมื่อระลึกนึกถึงแล้วนะก็ทำให้เกิดแบบอย่างในการที่จะทำคุณงามความดีหรือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นนะแม่ศุกหรือไแม่ใหญ่ศุกร์ตานะอันนี้เมื่อเราระลึกนึกถึงท่านนะหลายคนก็จะเห็นถึงคุณงามความดีของท่าน โดยส่วนตัวของตมา ก, ก็ได้รู้จักท่านมานนเกือบสามสิบปีและนะ้วนะโดยพองเมื่อท่านได้ย้ายมาอยู่ใกล้วัดวัดป่าสุประตแม่สุดเป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่อยู่ใกล้วัดเท่านั้นใจท่านก็อยู่ใกล้าศาสนาอยู่ใกล้ธรรมะด้วยสมกับ ธมะ อ, อุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็แปลว่าผู้ใกล้วัดใกล้ศาสนาใกล้ธรรมะคนบางคนนั้นตัวใกล้แต่ว่าใจอยู่ห่างจากนั้นไม่ใช่แนตะ่แม่สุดนะเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้วัดนะใกล้ที่สุดก็ว่าได้คือแค่ถนนเล็กๆฝั่งตั้งถนนนา้นสนใจนะก็อยู่ ใกล้วัดใกล้ธรรมะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีเมตตามีความสงบเยือเกเย็นใจคอมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวัว่นไหวต่อโลกธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่เพื่อเพื่อเพื่อกูุกกกกต่อชาววัดป่าสุปโตมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่วัดป่าสุประตูเป็นวัดที่กันดารห่างไกลเป็นวัดที่ยากจน ในสุดก็ทุกเชานะ้าเนี่ยก็จะเห็นพันนะุ์นำอาหารมาถวายถนะวายพระถวามาอกไม่ได้ก็ให้ลูกพามามาส่งบางทีก็มาถวายเพลงด้วยนะเป็นเช่นนี้นะแทบจะโดยตลอดนะแทบจะทุกวันก็ว่าได้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่ถวายทานเท่านั้นทางวัดมีความติดขัดอะไรนะ ถ้าเอือเฟื้อได้าทำได้ท่านก็จะทำอันนี้ก็เช่นเดียวกับสามีของท่านก็คือพ่อใหญ่หนูนะก็เรียกว่าช่วยดูแลใจใสวัดนะตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นวัด เ, เล็กๆนะพระไม่มากก็เคยมีคราวมันก็ถึงกับปีนต้นไม้เพื่อที่จะไปเจ็บสสเดาวบอกว่ากลมาขาหักนะอันนั้นก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วท่านทายที่ได้คุ้นเคยกับ แน่สุดนะก็จะทราบซึ้งประทับใจนะว่าท่านนะไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าใกล้ชิดหลวงพ่อทางสายเลือกเท่านั้นหลวงพ่อที่ว่าคุณพ่อคำเขียนคือท่านเป็นพี่สาวของพ่อคําเขียนสุวรรณรงนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพกเราทั้งหลายท่านไม่เพียงแต่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อทางสายเลือดเท่านั้นแต่ว่ายัางใกล้ชิด ในทางธรรมะด้วยนะคุณธรรมอย่างเทตมาได้พรนนามาก็เป็นเทีย่แค่สูตรเสี้ยวหนึ่งนะของธรรมะนะซึ่งโดยมิสยัยมุทันดล้วก็ทายที้ใกล้เคียงกับอย่างก็คำเขียนความสงบเย็นนะความเมตตาความ อ, อ, น อ, นอ่อนน้อมถ่อมตๆความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่แตนะ่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้สอนมากนะักอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าเกิดเป็น แค่ชื้อขาดนะแต่ว่าใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดท่ทานก็จะรู้ว่าทา่านชูเหมือนจะเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ก็มีคุณธรรมสูงบางทีพระที่บวชมาหลายปีหลายพรรษาคุณธรรมก็อาจจะอาจจ ะ, อาจจะเครียดท่านไม่ได้เช่นนี้ก็เท่ากแบบับเชื่อเราเห็นว่าความผู้ที่มีคุณธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสมอไปนแม้เป็นเพศชืห้หขา หรือคารวะก็าสามารถที่จะมีคุณธรรมนะสูงกว่าปางประชิตได้เพอาะไม่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะว่าพระฤหัสกปปปุปาสุฆบาศิกาหลายท่านนะมีภุมิธรรมมีปุมมจิตปุมิปัญญาสูงกว่าพระช่เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นเนี่ยนะมีจิตมีใจที่สามารถไปฝึกได้หรือที่ว่าเราจะเลือกฝึกอยู่ไม่ อันนี้เมื่อเรามามางานตรงสพของท่านนะชาวเราเราลึกนึกถึงนึกถงานความดีของท่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจนะในการที่จะน้อมนำความดีนั้นเพื่อมาเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตก็จะทำให้เราเกิดความสุขความเตยนได้อันนี้เรียกว่าเกิดประโยชน์ตรงึ้นจากการมางานศพ ปยตอนโซนหนึ่งยังเกิดขึ้นได้จากการที่เรามาแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาถึงความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตนอกจากเราเลืถึงความดีของผู้ที่รุ่รับก็มาเปิดรับสัจธรรมความจริงที่ผูร้งรงับได้แสดงให้เราเห็นครั้งหนึ่งแม่นะสุดก็เกิดมีชีวิตเดินเหิน ได้เหมือนเรานะแต่ตอนนี้นะก็ร่างกาก็แน่นิ่งนะไม่มีลมหายใจเราเองไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งอัตมาสึ่งเป็นผู้พูดนี้ก็วันหน้าวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างแน่สุดในขณะ น, นี้ก็ถือว่าเหลือแต่ร่างที่พูะเจ้าเปลี่ยนมันก็ท่อนไม้ หนะาประโยชน์นี้ได้เมื่อเรามางานศพเนะี่ยมันเป็นโอกาสดีที่เราจะเปิดใจรับสัจธรรมความจริงข้อนี้เพื่อเตือนใจให้เราไม่ประมาทคนเรานั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีชีวิตปกติธรรมดาภาสุกเราก็มักจะหลงคิดสำคัญมันหมายไปว่า เราจะมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดนะเราจะมีสุขภาพดีอย่างนี้สามารถจะเดินเถื่อย่างนี้ไปตลอดเรายัางสามารถที่จะหายใจนะเดินเถินพูดคุยอย่างทุกวันนี้ไปได้ตลอดแต่น่าเป็นความประมาทอย่างยิ่งเพราะว่าสช้วันหนึ่งเราก็ต้องหมดลมสช้าวันหนึ่งเราก็ต้อง และแน่นิ่งร่างกายเหมือนกับท่อนไม้ถ้าเราไม่มาถ้าเรามางานศพแล้วเราไม่เปิดใจเห็นความจริงข้อนี้ <c oughs> ก็ถือว่าศูน ย, ย์เปล่าประโยชน์หรือว่าสูญเสียโอกาสเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยโอกาสที่จะเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่ถึงชีวิตนี้มีน้อย คือวันนี้ชีวิตของคนสมัยใหม่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบแล้วก็ความรวงเช่นรวงว่าเราจะหนุ่มเราจะสาวไปตลอดอโคษณาตามโทรทัศน์นี่เขาจะพูดให้เราเชื่อว่าเราสามารถที่จะหนุ่มจะสาวไปตลอดได้ถ้าเราใช้ครีมแสงหน้าที่ห้อนี้หรือว่าผมซักหน้าหอ่าครีมแต่งหน้า ทีมภาผทนะี่ห้อน้นหรือว่าแชมพูที่ห้องนันะ้นเราจะเก่งนะเราจะสมารเราจะเป็นแมนไปตลอดมันมีสิ่งที่ลวงให้เราหลงคิดว่าเราจะไม่มีวันแก่เราจะไม่มีวันปวยไม่ต้องพูดถึงวันตายนะนะแล้วคนทุกวันนี้ด้วยความประมาทแล้วขคิดว่าตัวนี่ จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจบางก็สะสมเงินทองสะสมแล้วสะสมอีกมีเงินจนท่้ั้นใช้เก็บเจ็บชั่วโคตนี้ก็ไม่มีวันหยดแต่ก็ยังไม่หีุสะสมสมอกับว่าจะไม่มีวันตาย คนเราเนี่ยถ้าเร า, เราตระหนักว่าสัรวั น, นเราต้องตายนะเราก็คงจะไม่มมดแต่สะสมเงินทองหรือว่าแสวงหาอำ น, นาจชื่อเสียงอิทยศแต่เราจะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีพราะมีความมีแต่ความดีเท่านั้นนะเพียตามติดเราไปนะย่างอื่นที่สะสมมาไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนก็ <S S S ไปไม่ได้สักอย่างแม้นะกระทั่ง เหรียสตางค์แค่แรงเดียวก็ออกไปไม่ได้การ ท, ที่เรามาตระหนักถึงความพิมของชีวิตเช่นนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยผลขวาในการที่จะทำความดีด้วยนี้เองพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใกล้จะเปรียิพิพานเมื่อถึงคราวที่พระองค์จะมอบมรดกอานทำเป็นครั้งสุดท้ายให้กับชาวพทุทธทั้งหลาย ปาชิโว่าของพระองค์เนี่ยเป็มีเคปมีมีเพียงแค่สองประโยชน์เท่านั้นเองว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมแตเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือตรงนีก็แปลว่าท่านทั้งหลายจงความฟาไม่ประมาให้ถึงพร้อมทําเรือให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเนี่ย <S S ก็หมายความถึงประโยชน์ท่านจะประโยชน์เต็ รรรสสประให้กคือการทำความดีช่วยเหลือเพื่อเพื่อเพื่อผู้อื่นรวมทั้งช่วยเหลือสังคมอุปถัมภ์ศาสนาส่วนประโยชน์ตนนะก็คือการทำความดีเช่นการเพื่อคือผัดผัดเก่าจิตใ จ, จให้กิเลสเบาบางนะให้พกบกับความสงกแล้วจิตเกิดปัญญาคือความสว่างซึ่งมีช่วยทําให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางลงจนกร่งเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ คนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะมันก็จะหลงเพลินนะในสิ่งเราย้ายวนที่เป็นการมาสุขนะได้ง่ายแต่เมื่อเรก็ตามที่เราตระหนักว่าสักวันเราต้องตายนะเราก็จะเปิดยควทำความดีและยริงถ้าเราตระหนักว่าเมื่อถึงวันที่เราต้องตายเราอาจจะตายไม่ดีก็ได้ อาจจะตายด้วยความคินิจทุราก็ได้อาจจะตายเพราะยังโงลูกอะไรในซับ ก, ก็ได้เมื่อคิดเช้นนี้เนี่ยคนที่อยากจะตายดีอยากจะตายสงบ ก, ก็จะรู้ว่าก็จะเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตัดกากตัวเองโดยเฉพาะการเดินพรมเพราะว่าถ้าเราได้ทำสมาธิภาวนาเราก็สามารถที่จะ นะครับความอาลัยความเศร้าโศกเสียใจเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปได้และขณะเดียวกันนะก็จะเล่นผลฝ่ายทำความดีจะเล่นความชั่วพระพุทธเจ้าทุกั้งเป็นพระโพธิสัตว์ได้เคยกล่าวว่าเราไม่เคยทําชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงคนทุกวันนี้เนี่ยกลัวความตาย จึงไม่อยากนึกถึงและเวลามางานศพก็จะเฮ ห, หาสนุกสนานเพราะไม่อยากที่จะนึกว่าสักวันเราจะต้องเดินตามผู้ที่ลงรักซึ่งมีร่างอยู่ในหีดอันนี้ก็เป็นวิธีการของกิเลส ท, ที่ทาให้เราประมาดโมเหาในชีวิตแต่เมื่อกระามที่เรานถึงความตามท้ายเพิงก็จะกลัวแต่ถ้าเราตระหนักว่า ความกลัวนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาจิตใจไม่ได้ถ้าเรามั่นใจในคุณงามความดีของเราดังที่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะตัดสรตวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยให้ขเขเกิดเปพระโพธิสัตว์ที่เคยกล่าวความข้อนี้เราไม่กลัวความตายที่จะมาถึงนะเพราะว่ามั่นใจในความดีไม่มีความชั่วในที่ใดเลยจะไม่กลัวความตายที่จะมาถึง อีกตอนหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อตั้งมันในธรรมย่อมไม่กลัวป่โลกปล่โลกแต่ว่โลกหน้าหลายคนกลัวตายเพราะกลัวว่าจะไปอาบานกลัว่าจะไปนรกแต่ว่าผู้ที่ทําความดีจะไม่กลัวอาบานเพราะมันะ่นใจว่าความดีที่ทนะํานั้นจะนุ่ส่งให้ไปดีไปสุคติในอเดียวกันนะก็จะเห็นความสำคัญของการทําบุญนะ การทำบุญน่นเนี่ยนะไม่ว่าจะทําบุญในเรื่องของการให้ทางการรักษาศีลตัวน้งตามภาวนานเนี่ยสําคัญมากเนี่ยแล้วก็ตามเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะมันจะไม่พอนะก็ต้องทําให้ครบนะั่นคือภาวนาเพราะว่าหลายคนนั้นเนี่ยนะ่าจะทําบุญให้พารักษาศีลแต่ว่าจาิตใจไม่มีจักป่าไมมีจักวางเวลาจะตายก็อาจจะทุกขนทุราได้ห่วงทรัพย์สมบัติหวงลูก แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ภาวนารู้เท่าทานอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นนั่นคือมีสตินะรู้เท่าทานอารมณ์เวลา ก, ย า, กายตานะจิตเกิดความทุรมทุรายเพราะว่ายังอะไรอารองก็รู้ทานและปล่อวางได้ก็ทําให้ใจสงบแท้ท่าถึงเวลาที่ต้องไปก็ไปดีได้เราคนเราเนี่ยจะนึนแต่เรื่องการอยู่ดีอย่างเดียวไม่พอนะต้องรู้เรื่องการตายดีด้วย คนเดี๋ยวนี้คิดจะเลื่อนการอยู่ดีก็คือว่ามีเงินมีทองมีบ้านมีรถยนต์นะมีบริษัทบริวาร น, นะแต่ว่าไม่ค่อยได้คิดว่าเออเราลราตายในกระตายนี้ได้อย่างไรอยู่ดีให้พอนะต้องตายดีด้วยนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้มันถึงจะเป็นชีวิต ท, ที่คุ้มค่ามีความหมายและควรการที่คนเราเนี่ยนะ จะตายดีได้เนี่ยมันต้องตั้นในความไม่กังวลอย่างที่พระเจ้าได้เตือนเอาไว้ในปัจฉิมโอว่าว่าให้ทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ปรงวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามางานศพอย่างเรามาวันนี้แล้วนะก็ขอให้เราเปิดใจได้เห็นความจริงของชีวิตว่าอนาคตของเราวันข้างหน้าเราก็ต้องมาลงเอยนะบนบนเมน แไม่ว่าที่ไหนก็ตามเมนที่เรานะจะขึ้นไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยมันก็คือจุดหมายปลายทางของชุดิเราไม่ว่าจะใหญ่แค่ไห น, นไม่ว่าจะรวยแค่ไหนไม่ว่าจะสวยหรือจะหลออเพลงใดนะจุดหมายปลายทางของเราถึงที่สุดแล้วก็คือบนเมนหรือเชิงตะกงคิดอย่างนี้นะไม่ได้คิดเพื่อให้รวยทูให้วใหวานทให้ซ่อหมอ แต่เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและความไม่ประมาทและจะได้เรี่นความความดีนะอันนี้คือประโยชน์ตนที่จะได้รับนะจากการมางานศพและนอกจากการที่มาบำเป็นประโยกท่านอาท้ายที่สุดนี้นะก็ขออภิโมทนาญนะาติโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้แล้วก็มาทําหน้าที่ต่อแม่ใหญ่สุตาอประชานซึเป็นผู้ที่เรารัก และเคารพนะแล้วก็ขอเราได้น้อมใจนะแผ่บุญกุศลที่จะให้แต่ท่านเพื่อให้ท่านได้สุขสุขในสัมภะภพและได้เป็นปัจจัยให้ข้อจุนความนิพพานาพแต่ดาวเดียวกันก็ขอข้างคุณพระศสด็จนาฏตายดำเนินระยชน์ให้ทุกท่า้เจริญเรื่องอายุวัฒณนะสุขภาระเพื่อเป็นเพราะปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมเพื่อความไม่ประมาณให้เจริญในศีล เตือนในธรรมนำพาติตใจให้คนจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสรมสารมีพระพิพานเป็นที่หมายด้วยการเปิดเผน